ความฝันประเภทที่สเทวโตปัสสังหารณะหรือเทวดาสังหอนความฝันที่เกิดจากมีโอปปาติกะมาดนใจหรือมาบอกเรื่องราวต่างๆความฝันประเภทนี้จะมีความประทับใจจำได้นานมากแบบเดียวกับความฝันในลนักษณะของการระลึกชาติทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่นอนหลับจนกระทั่งมีโอปปาติกะมาติดต่อได้นั้น จะต้องนอนหลับได้สนิทมากอิทธิพลของสิ่งภายนอกเข้าไปรบกวนจิตใจไม่ได้เลยและมีกายทิพย์เกิดขึ้นมาฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เห็นในความฝันนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่นึกเอาเองแต่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงๆและเห็นได้ด้วยตาทิพย์คือด้วยตาของกายทิพย์ที่เกิดขึ้นมาในขณะนอนหลับ การเห็นแบบนี้ก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาเนื้อในเวลาที่เราตื่นนั่นเองและในทำนองเดียวกันในขณะที่ฝันถ้าหากจะได้ยินเสียงรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสรู้สึกสัมผัสทางกายหรือมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่รู้สึกนึกคิดทางประสาทและสมองของกายทิพย์จุดนี้ขอได้โปรดพิจารณาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งกล่าวคือ ในขณะที่เรานอนหลับและฝันเห็นโอปปปาติกะนั้นในขณะนี้เราได้มีกายเกิดขึ้นมาอีกกายหนึ่งคือกายทิพย์ซึ่งเป็นกายที่เกิดจากใจและกายที่ว่านี้ก็มีรูปร่างหน้าตามีอวัยวะต่างๆมีประสาทมีสมองเหมือนกายเนื้อทุกประการอย่าลืมว่ากายทิพย์ก็คือแบบฉบับของกายเนื้อและกายเนื้อก็คือกายหยาบที่สะท้อนให้เห็นถึงกายทิพย์ ซึ่งเป็นกายที่ละเอียดและในขณะที่คนเรากำลังจะตายซึ่งทุกคนจะต้องมีกายทิพย์เกิดขึ้นก่อนที่ร่างกายจะถึงแก่ความตายจริงๆนั้นกายทิพย์ที่ว่านี้ก็ถอดแบบมาจากกายเนื้อหลักวิชาดังที่กล่าวมานี้พยายามศึกษาให้เข้าใจจริงๆแล้วก็จะมองเห็นว่าในขณะที่เรานอ น, อนหลับแล้วฝันเห็นโอปปาติกะหรือเหตุการณ์ต่างๆในโลกของโอปปาติกะ ซึ่งเป็นการเห็นจริงๆไม่ใช่นึกเอาเองนั้นการเห็นแบบนี้เป็นการเห็นด้วยตาทิพย์แต่ก็ขอได้โปรดสังเกตให้ดีว่าตาทิพย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทิพยจักษุเพราะผู้ที่จะมีทิพยจักษุซึ่งสามารถที่จะเห็นอะไรได้มากยิ่งกว่าตาเนื้อหลายเท่านั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงสนตาทิพย์ที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับนี้ หมายถึงตาทิพย์ขั้นธรรมดาและที่เรียกว่าตาทิพย์ก็เพราะร่างกายที่เกิดเป็นกายทิพย์และที่เรียกว่ากายทิพย์ก็เพราะเป็นกายที่เกิดจากใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครซึ่งจะได้สมาธิหรือไม่ได้สมาธิก็ตามในเมื่อมีกายทิพย์เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีตาทิพย์หูทิพย์จมูกทิพย์ตลอดทั้งสมองก็เป็นทิพย์อย่าลืมว่า ที่ว่าเป็นทิฟในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจะมีลักษณะพิเศษเหมือนกับผู้วิเศษทั้งหลายแท้ที่จริงตาทิฟหูทิปที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับนั้นประสิท ธ, ธทิภาพในการเห็นและการได้ยินก็เหมือนกับตาและหูของมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าคนที่ตายไปแล้วซึ่งจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกาทุกคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีตาทิฟหูทิพิเศษ ซึ่งสามารถที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ภายหน้าหรือเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ทุกอย่างจะถามอะไรก็ได้ตอบได้ทั้งสิน้นความจริงไม่ใช่เช่นนี้เพราะโดยธรรมดาในขณะที่ยังเป็นคนอยู่เมื่อมีความรู้ความสามารถอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรเมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะก็จะมีความรู้ความสามารถมีนิสัยใจคอเหมือนเดิม ขอให้สังเกตจากเรื่องราวในความฝันซึ่งโดยทั่ ว, วไปแล้วความรู้ความสามารถมีสายใจคอต่างๆที่แสดงออกในความฝันนั้นส่วนมากก็เหมือนกับความรู้ความสามารถมีสายใจคอที่เรามีอยู่ในขณะที่เราตื่นอยู่นั่นเองแต่ถ้าหาจะมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากที่เรารู้สึกว่าเคยมีนั่นเป็นเพราะลักษณะของจิตในส่วนนั้นซ่อนอยู่ยังไม่เคยปรากฏออกมา และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะการผสมผสานของประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาและทำให้ออกมาในรูปใหม่จนเราจำเขาโครงเดิมไม่ได้โอปปปาติกะที่จะมีตาทิพหูทิพมียานวิเศษสามารถที่จะล่วงรู้อะไรได้ต่างๆนั้นตามหลักที่กล่าวไว้ในคำภีผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานในขณะที่เป็นมนุษย์ตอนที่เป็นคน ถ้ายังไม่ได้ฌานตายไปแล้วจะไปฝึกฝนในโลกนั้นจนกระทั่งได้ฌานเป็นสิ่งที่ยากมากทั้งๆ ท, ที่ความสะดวกสบายและเวลาอาจจะมีมากกว่าอยู่ในโลกมนุษย์แต่ถ้าพื้นที่มีไปจากโลกมนุษย์ไม่มีพอก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะฝึกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอปปปาติกะโดยทั่วไปซึ่งไปจากคนธรรมดาคือไม่ได้ฌาน ก็มีความรู้ไม่วิเศษไปกว่า ม, มนุษย์เท่าไรนักแต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ในวิชาการต่างๆหรือมีความชำนาญในทางไหนก็ตามความรู้ความสามารถที่เคยมีนั้นยังคงมีอยู่ไม่ศูนย์และอาจจะไปเพิ่มเติมในโลกนั้นได้แต่ก็มีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่าจะสามารถเรียนรู้อะไรได้ทุกอย่างแต่สาหรับผู้ที่ได้ชาญ ขอบเขตที่จะสแสวงหาความรู้มีมากกว่าคนที่ไม่ได้ชาหลายเท่าหลักเหล่านี้ควรจะจําเอาไว้ด้วยและอีกประการหนึ่งเราจะต้องตระหนักให้มากที่สุดว่าความฝันที่เป็นจริงเป็นสิ่งที่มีได้อย่างแน่นอนและความฝันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็เพราะมีกายทิพย์เกิดขึ้นซึ่งกายทิพย์ที่ว่านี้เป็นกายที่มีชีวิตมีอินทรีย์ครบทุกอย่าง เพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเห็นหรือได้ยินอะไรได้ตรงตามความเป็นจริงเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นและได้ยินและขอให้สังเกตด้วยว่าในขณะที่เรานอนหลับและฝันไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นเรื่องเหลวไลไร้สาระหรือจะเป็นเรื่องจริงก็ตามตลอดเวลาที่เรายังหลับและฝันอยู่เราจะรู้สึกว่าเรื่องราวในความฝันทุกอย่างเป็นความจริง ส่วนเรื่องของชีวิตในตอนที่ตื่นเราลืมอย่างสนิทในขณะนั้นเราไม่รู้สึกเลยว่ายังมีชีวิตอีกโลกหนึ่งหรือโลกแห่งความตื่นและเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเห็นหรือที่เรารู้ในเวลาตื่นนั้นเป็นความจริงทุกอย่างส่วนเรื่องราวในความฝันเป็นเรื่องไม่จริง จากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมานี้ขอให้พิจารณาดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่คนที่รู้ความจริงแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตไม่รู้ตลอดสายก็มาจะยึดถือสิ่งต่างๆที่ตนเองกำลังพบเห็นอยู่ว่าเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องที่ลืมไปแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่ได้พบเห็นหรือที่ยังไม่เคยรู้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเรื่องที่เคยรู้เราก็จะเชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ถ้ามันผิดกันมากถึงขนาดตรงกันข้ามเราก็มักจะไม่เชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงตัวอย่างที่ชัดซึ่งเราเห็นและรู้กันอยู่ในโลกมนุษย์ก็คือคนส่วนมากเชื่อว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยพ่อแม่และต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าส่วนวิญญาณเรามองไม่เห็น ชีวิตในโลกของโอปปาติกะเราก็มองไม่เห็นเราก็เลยไม่ยอมรับว่าชีวิตเอากำเนิดมาจากวิญญาณและชีวิตอาจจะเกิดมาได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ก็ได้และยิ่งกว่านั้นแผ่นดินแม่น้ำภูเขาตลอดถึงสิ่งต่างๆอย่างที่เรามองเห็นอยู่ในโลกมนุษย์นั้นก็อาจจะเกิดมาจากใจได้รอในโลกของโอปปาติกะก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน และทุกอย่างในโลกนี้เกิดมาจากใจทั้งนั้นแต่แล้วเราไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้การที่เราไม่ยอมรับก็เพราะเรามายึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ที่เราเคยผ่านมาเท่านั้นแต่จากตัวอย่างในความฝันซึ่งมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นมันต่างกันก็แต่เพียงว่าขอบเขตแห่งความจริงมันต่างกันเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าอย่างหนึ่งจริงอย่างหนึ่งไม่จริงในเมื่อเรากำหนดขอบเขตของความจริงแต่ละอย่างไม่ได้และทั้งที่ความฝันที่เป็นจริงมีอยู่และเป็นเรื่องที่ทดสอบได้แต่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยจะยอมรับอยู่นั่นเองแต่ก็ขอให้สังเกตดูเราจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามในขณะที่เรากำลังนอนหลับและฝันนั้น ทุกเรื่องที่กำลังฝันอยู่เราทุกคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นหมายเหตุผู้อ่านแต่ก็มีหลายครั้งที่หลายคนเคยประสบกับชีวิตตนเองนะครับว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังฝันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเรากำลังหลับและฝันอยู่แต่ความคิดที่ว่า สิ่งที่รู้สึกเป็นความฝันนั้นก็คือการฝันซ้อนฝันที่แม้จะรู้สึกตัวว่าตัวเองตื่นอยู่ก็จริงแต่แท้จริงก็คือกำลังฝันอยู่นะครับเป็นฝันซ้อนฝันที่หลอกให้เข้าใจผิดว่าตื่นแล้วข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทบทวนข้อความดังต่อไปนี้อีกครั้งหนึ่ง เรเป็นประเด็นที่สำคัญมากกล่าวคือความฝันที่เป็นจริงนั้นมีอยู่อย่างแน่นอนซึ่งเป็นความฝันที่เกิดจะมีกายทิพย์เกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับและกายทิพย์นี่แหละที่เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นและทำไมกายทิพย์จึงเกิดขึ้นมาได้นี่เป็นประเด็นอันหนึ่งที่จะต้องพยายามพิจารณาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและประเด็นที่สอง ในขณะที่เรานอนหลับเรื่องราวนความฝันทุกอย่างเรารู้สึกว่าเป็นจริงทั้งหมดส่วนเรื่องอื่นนอกจากนี้เราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงมีอยู่หรือไม่มีแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ยอมรับเฉพาะแต่เรื่องราวต่างๆที่เราพบเห็นในเวลาตื่นว่าเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องราวนความฝันเราบอกว่าไม่จริงข้อเท็จจริงเหล่านี้โปรดพิจารณาให้ซึ้งว่า เรื่องไหนจริงกันแน่หรือว่าเป็นจริงทั้งสองเรื่องพยายามอ่านใจของตัวเองในเรื่องเหล่านี้ให้ออกแล้วท่านก็จะพบทางที่จะนำไปสู่แสงสว่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจิตของพระปัญจวัคคีย์ได้หลุดพ้นจากอวิชชาก็เพราะไม่มีอุ ป, ปาทานข้อความที่ว่านี้มีอยู่ในเรื่องอนัตตลักษณะสูตร ขอให้สังเกตว่าคนเกือบทั้งโลกไม่ว่าใครเมื่อรู้เรื่องอะไรแล้วก็มักยึดมั่นไม่ยอมปล่อยวางมักถือเอาเป็นจริงเป็นจังจนเกินไปจนกระทั่งในบางครั้งก็ปฏิเสธความจริงในด้านอื่นในเมื่อมาขัดแย้งกับความจริงที่ตนเองพิสูจน์ได้อันที่จริงการยึดถือในลนนักษณะนี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ถือไว้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงและมีประโยชน์ด้วยก็ตาม แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนให้ปล่อยวางดังเช่นที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายแม้ตถาคตจะรู้ถึงปานนี้แต่ก็หายึดมั่นในความรู้นั้นไม่เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้นี่หละตะถาคตจึงได้พบกับความสงบอันสูงสุดข้อความที่กล่าวนี้มีอยู่ในพระรมชาลสูตร เป็นข้อความที่พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าพระองค์ได้มีความรอบรู้ในเรื่องอะไรบ้างและจากเรื่องที่พระองค์ทรงเล่านั้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความรอบรู้เหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงยึดถือในความรู้เหล่านั้นเลยพุทธพจน์ข้อนี้เป็นหลักที่สาคัญมาก คนที่ฝึกสมาธิได้ทุกคนจะมีความรู้สึกตรงกันอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือในขณะที่อยู่ในสมาธิถ้าพยายามปลดเปลื้องอารมณ์ปลดเปลื้องความรู้สึกนึกคิดทำใจให้เป็นอิสระคือไม่ให้ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆได้มากเพียงไรก็จะรู้สึกว่าตนเองฉลาดมากขึ้นเพียงนั้นเพราะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมีความรอบรู้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือ หลักวิชาต่างๆที่เราดูเหมือนกับว่ามันขัดแย้งกันนั้นถ้าใจเราเป็นอิสระไม่ติดอยู่ในความรู้ที่เรียนมาก็จะสามารถมองเห็นถึงประเด็นที่ขัดแย้งกันและเนื้อเรื่องที่เหมือนกันได้ง่ายทั้งนี้เพราะตัวเองรู้อะไรถึงแม้จะแน่ใจว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ยึดถือแล้วจะทำให้เข้าใจถึงเรื่องคนอื่นได้ง่ายข้าพเจ้าคิดว่า คนทั้งหลายที่ไม่เข้าใจเรื่องโอปปปาติกะไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากวิญญาณก็เพราะเมื่อตอนเองเรียนรู้มาอย่างไรก็ยึดมั่นแต่ในแง่ของตัวจนกระทั่งทำให้เกิดความมืดมองไม่เห็นความจริงในด้านอื่นขอให้นึกถึงพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งคือจิตของพระปัญจวัคคีได้หลุดพ้นจากอวิชชาก็เพราะไม่มีอุปาทาน พุทธพจน์บทนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งนักการหลุดพ้นจากอาวิชายอมหมายถึงการรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงนั่นเองท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ก็ขอได้โปรดจำเอาไว้ก่อนว่าใจที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้นจะสามารถรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงโดยไม่ยากและความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้น ต้องเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัส